อย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้หมดเวลาของโยมแล้วนี่เห็นชัดแล้วรู้จะต้องตายแล้วกอที่นี่ก็อยากโยมนี่เขาก็เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองมากมายแต่แล้วก็ฝากไว้ในคําคิดบอกเอาละถึงจะตายหลวงพ่อผมก็ไม่เสียใจขอเอากระดูกมาฝากไว้ที่วัดอภวันได้ไหมเอามาฝังที่นี่พรุ่งนี้เอามาแล้ว ตามธรรมดาเขาเชื่อจริงก็ต้องไปวงซุยหรือเอาไว้ให้มันมีเกียรติแต่เขาว่ายัางไงอยากจะ้เขาดูกมาฝังฝากไว้ที่นี้เพื่อเป็นผู้นำเป็นผู้นำในวัดนี้เพราะที่วัดนี้เขาสร้างความดีกาลมีการทําบุญให้ทานเสมอนี่มาวานวันนี้ก็มาทําบุญวดมน์มีการวัดถวายพระทหารปรุ่งนี้อีกแน่นายทหารรุ่นห้านักเรียนในร้อจปรรุ่นห้า เราดับในพันเอกแลเระดับพันเอกพิเศษเพื่อนเขาจะมาทําบุญนี่เราก็พลอยชามไปด้วยพวกนี้อาจจะมีขนมมีแกงก็พลอยก็เข้าชามนับภาษาอะไรก็วิญญาณก็อยากมาอยู่ทุกคนไม่จําต้องกล่าวว่ามนุษย์แผ่ผีก็อยากจะมาอยู่กับเราแต่ทั้งหลายโปรดคิดด้วยปัญญาด้วยเดี๋ยวพวกนี้แห่กันมาแล้วจากวัดศีมหาธาตุเก็บกระดูกตอนเชา้า แล้วเอามานี่หมดมาฝังโคนโพจะของสางนี่จะต่างหลายเอ๋ยไหนๆจะตายนะเตรียมแจกการก่อนรู้ตัวก่อนนี่มันดีมีอย่างนี้นี่ตัวอย่างวันนี้สดๆร้อนเลยชิดเดียวอาตมาทำยังไงไม่คุ้นเคยอะไรจนมากมายแต่เราไปญาติกันมาครั้งอดีตใครจะตายว่ารถบ่ายไปกันคันรถเบลเลยไปช่วยกันเผา ไปช่วยกันน้ำใจที่วัดนี้ถือเป็นตัวอย่างมานานแล้วใครตายช่วยเป็นเจ้าภาพกันอย่างนี้เป็นสายสัมพันธ์ของชีวิตมนุษย์ที่มีมนุษย์อยสัมพันธ์ที่เรามีกฎแห่งกรรมอนิวการเรารู้ ก, กฎแห่งกรรมแล้วเราจะมีน้ำใจต่อกันเราจะไม่ทะเลาะกันจะไม่วิวาดกันจะต้องพึ่งปะอาศัยกันตลอดเวลาการเหมือนน้าพึ่งเรือเสริพึ่งป่าที่โบราณทว่ารชายจะต้องเข่าเปลือกหญิงเข่าสารโบราณว่า น้ำจะต้องพึ่งเรือเสือก็พึ่งป่าชาสายเราก็มีจิตเขาก็มีใจเหมือนกันเหมือนกันทุกคนแต่เราอยากคิดว่าคนนั้นไม่ดีคนนั้นดีอ่อแท้จริงเราคิดตัวเราเถิดว่าเราดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราเป็นกฎแห่งการจากการจะทําวันนี้จะชี้แจงกฎแห่งกรรมตามเป็นจริงจะไม่ชี้แจงเรื่องกฎแห่งกรรมในหลักพระบิธรรมเพราะหลักพระบิชชมยังมีกรรมสิบสองอย่าง มากมายหลายจะนับจักคนาอันนี้จะเรียนถวายทึงเรื่องกฎแห่งกรรมตามเป็นจริงที่กระผมได้ประสบราการกับปัญหามาหลายเรื่องที่ไม่เปลืองเวลาเดี๋ยวจะมีเล่มสองแก่กฎแห่งกรรมในวันที่สิบสี่วันครบรอบของเราวิญญาณรายงานตัวได้ออกมาเป็นตัวได้ตรงนี้เลยเดียวมีโรคถ่ายเห็นนองนี้เป็นตน้นเล่มสองจะออกในวันที่สิบสี่พิมพ์ไม่กี่พัน คงจะแจกหมดหรือจะแจกพอหรือไม่คนอยากได้สู่นี้หลายเรื่องนียมีมีของลูกในชำนาญัวบุญน้องนี่ผู้บริการจังหวัดสิงห์บุรีนายชานศิลอยู่วบุญพี่ชานก็คือนายชนะศักยั่วบุญปัจจุบันนี้เป็นผู้บริการจังหวัดสิงห์บุรีที่หนุ่มที่สุดบางคนถามหมอท่านผู้ว่า ก, การหนุ่มจังเลยบอกโอ้ไม่หนุ่มแล้วพ่อแม่ที่เคารพ พ่อผมเองเนี่ยเป็นผู้บริการจังหวัดนุ่มกับผมเองคือในชำนาญยุบวุบุญดอกเตอร์คนแรกของประเทศไทยนี่เขามีบุญวัสนามานะนี่บุญกุศลของใครของมันต่างคนต่างทําเอาแบ่งกันไม่ได้บุญแบ่งกันได้แล้วแต่เงินแบ่งกันใช้ได้แบ่งไปกินได้แต่บุญวัสน์นาของใครของมันแบ่งกันไม่ได้ต่างคนต่างทําเอาเนะจะเห็นมากง่ายมากได้ไม่เอาตามใจชาัด ไม่บังคับไม่บัญชาได้แต่ประการได้มันเรื่องจิตใจของพวกเราทุกคนอยากได้ก็ทำสัพพลับไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีใครเขาว่าไม่มีใครบังคับบัญชาจิตใจเราได้จิตใจนะใครจะบังคับใครได้แต่ตัวเองบังคับได้ใช่บุ๋มบัคับบัญชาทํางานก็บังคับถ้าถูกบังคับรับรองงานไม่เรียบร้อยถ้าหาว่าไม่จะใช้บังคับใช่ศรัทธา ใช้ความเชื่อความเลื่อมใสทําด้วยศรัทธาทําด้วยความเคารพหลักความจริงก็ชีวิตแล้วทําด้วยจิตสงบไม่บุวามเพราะเรามีศรัทธาแล้วทําด้วยเหตุผลทําด้วยความถูกต้องนี่อย่างนี้ละเอียดลอยได้บุญได้วัสนาแน่ถ้าทําโดยบังคับเหมือนอย่างพระภิกษุนาวากะบังคับให้ทํากรรมฐานเดินจนกลมสามสิบนั่งสามสิบนี่บังคับ เข้าใจรึเบังครับถ้าหากว่ามีศรัทธาเกิดขึ้นมาเองโดยสันดานรับรองไม่ต้องบังคับอยากทำอยากได้อยากดีอยากมีปัญญาอยากได้แหลมลึกปากลงไปในปัญญาอยากได้ไปหมดสนใจไปหมดคนประเภทอยากได้ก็คนมีวัสนาคนประเพทที่ไม่อยากได้เน่ยอบังคับไม่เกิดประโยชน์เลยท่านพระคุณเจ้าที่เคารพเอ๋ยไม่เกิดประโยชน์ที่บังคับ โซยกตัวอย่างว่าท่านไม่มีศรัทธาจักวาตล้านวัดผอมผ่านบังคับท่านจะไม่ได้บุญทําไปโดยบังคับบัญชาท่านจะได้บุญอะไรเล่าถ้าท่านตั้งใจชาท่านมีศรัทธากวาดเวชกูดีข้อปฏิบัติแล้วท่านจะได้บุญหมื่นเปอร์ซไม่มีใครแบ่งของท่านไปได้ท่านเป็นผู้ได้ร้อยเปอร์ซต์ถ้าีะระฆังปั๊บขอไิสู่นวมกะทำกิจวัตร ไม่ทําไม่ได้บังคับเออถ้าเราไม่ทําเดี๋ยวท่านจะว่าต้องทําโดยสังกาตายทําโดยเสียแค้นไม่ได้ท่านจะไม่ได้บุญจะไม่ได้คุณประโยชน์ถ้าท่านถูเรือนกวาดบ้านทําด้วยศรัทธาเหื่อหยดลูกคางเดี๋ยวท่านจะหายเหนื่อยด้วยความชื่นจใจบ้านก็เรียบร้อยสะอาดหมดจดด้วยศรัทธาถ้าพ่อแม่ บ, บังคับให้ทําแล้วก็ทําโดยเสียไม่ได้รับรองเนี่ย เสร็จแล้วก็ยังเหนื่อยใจเสียใจว่าพ่อบังคับแม่บังคับเราไม่น่าจะมาผ่มใจเราเลยทํานองนี้เป็นต้นมันก็เกิดผลออกมาในลูกแบบนี้ใจคอก็ไม่สบายเสร็จด้วยความไม่ยไม่ไม่สบายใจแล้วงานนั้นก็เสร็จด้วยความไม่เรียบร้อยสะอาดไม่หมดจดสะอาดไม่เรียบร้อยมนมีกบอนก็แบนเพราะจิตใจไม่ดี เหมือนท่านตั้งใจเขียนหนังสือเขียนวิชาการบทใดบทหนึ่งท่านมีศรัทธาเขียนท่านตั้งใจเขียนท่านมีสติสัมปชัญญะกำหนดจิตในการเขียนรับรองภาษาหนังสือท่านเรียบร้อยวรรคตอนก็เหมาะเจาะย่อหน้าก็เหมาะเจาะเขียนติดเป็นวรรคเว้นวรรคเป็นตอนทำนองทำ รับรองจดหมายหรือหนังสือที่เขียนนั่นสวยงามเรียบร้อยอ่านก็ง่ายคล่องแคล่วว่องไวในการอ่านคนอื่นก็อ่านออกหมดเดี๋ยวนี้เขียนกันตรงเงยยืดเขียนโดยว่าเสียไม่ได้ก็ทําไปโดยเสียไม่ดีเลยมันก็เอาดีไม่ได้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นกฎแห่งกรรมเราจะเห็นได้ชัดต่อไปเดียาา๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ากฎแห่งกรรมมันจุดตั้งจุดลองจุดทํานองอยู่ที่ไหนมันเกิดอะไรเป็นกฎจุดของกรรม คนเราเนี่ยเปลี่ยนพฤติรรร ก, กรรมเพราะกฎแห่งกรรมทำอย่างไรไม่มีอะไรดีเท่ากับการเจริญกรรมาฐานบาที่ยอมหยุหญิงยอมชายมาก็ไม่ศรัทธาทำไปดยเสียไม่ได้โยมจะไม่ไดีบุญเพราะมาทำนี่ไม่ใช่ว่าจะทำแล้วก็ให้เกิดผลมีปัญญาเท่านั้นได้บุญได้กุศลสา ม, มารถจะเทิด่วนกุศลให้แก่บิดามารดาได้บางทีพ่อแม่กาลังอยู่ต่างประเทศกาลังเกิด e x c e เส e n ดนโลกอยู่ในเมืองไทยอุทาอุทิศส่วนกุศนด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานรับรองพ่อแม่อยู่เย็ดไปสุขอย่างแน่นอนมีความหมายอย่างนั้นแต่นี่เป็นการสร้างบุญส่วนตัวไม่ใช่่าใครทำให้แต่เราก็ยังไม่มีศรัทธาก็ไปเลือกของเราศรัทธามากได้มาสศรัทธาน้อยได้น้อยไม่ศรัทธาก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อย่างแน่นอนกลับได้บาปเป็นอกุศลกรรมเมื่อยปวดทนไม่ไหว มาให้กูมาทำอย่างที่ทําไหมแม้เอามาทรมานอย่างนี้ท่านจะไม่ได้อะไรแถมขาดทุนเอาทุนเก่าทิ้งไปซะด้วยเลยบุญกุศลไม่ได้จะไปนึกถึงเงินก็ไม่ไหลนองนึกถึงทองก็ไม่ไหลมายากจนตลอดไปมันอยู่ในจุดนี้มันอยู่ที่จุดศรัทธาจุดเรื่อมสายจดฉันทะพอใจถึงจะเกิดผลในบุญกุศลทุกประการถ้าไม่เกิดฉันทะไม่มีความพอใจ รับรองหมืนเปอร์เซน์ท่านจะต้องลองลอยลมเหมือนบุรุษคมลอยเหมือนเศษมนุษย์เป็นบุรุษโคมลอยลอยไปลอยมาเหมือนเหลือสินค้าแล่นเหนือแลนใต้ไม่รู้ว่าอะไรมีสินค้าจะได้ขาดทุนกําไรไม่เข้าใจมันอยู่ในกฎแห่งก ร, รมต่อมาก็ขอเจริญพรว่าทุกคนในใหม่บังคับเพราะแล้วแต่วัสนาเถอะวัสนนาดีจี้หน่อยก็ไปแล้ว คนมีบูธใสยปัจจัยมาชาตินี้อยู่ได้มีความสะดวกมีความสะดวกมีความสบายจะทำอะไรก็เป็นมากเป็นผลคนที่ไม่มีบารมีมาแต่ชาติก่อนมาทำในชาตินี้ไม่ใหญ่มากได้ผลไม่ใหญ่ผลไปล่างล่างฆ่าป็ขาทุนไปเลี้ยงไก่ก็ตายเลี้ยงหมูก็ตายทำอะไรไม่เป็นมากเป็นผลเพราะฉะนั้นคนเราทำไม่เหมือนกันบางคนนี่ไปทำสวนแค่จิม้มจิมแจมแจม ปากมันส่งเดชไปแม้มันงามออกลูกงามเหลือเกินบางคนนี่ลดน้ำพรวนดินทำยังไงไอ้ต้นไม้ก็งอกระงิกไม่ออกผลให้เลยบางคนก็พูดว่าแม้มือดีนะปลูกรวยหวีงามมือดีจริงๆบางคนเนี่ยไปทำอย่างเขามากรวยมันก็ไม่หวิงามมนลูกมันกันหมดเลยรีบหมดเลยนี่เห็นไหมนี่เพราะบุญวัสนาคนไม่เหมือนกันบางคนทาส่งเดชนะ ปากทรงเดชเลยหวานทรงเดชเลยหวานข้าวแม้ข้าวงามจริงๆแล้วไม่มีเพลียด้วยไม่มีแมงมากินแต่ประการใดข้าวมันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่เห็นไหมบางทีทํานาผืนเดียวกันแบ่งคนละครึ่มแต่ก็น้ําท่าพอดีเหมือนกันแต่นาของเราไม่ได้ผ้นนาของเขาข้าวเทาไมได้ผ้ข้าวเขา ก, ก, ล, ากล่ากลาพอดีงามเม็ดเต็มเม็ดตึงดีของเราเม็ดรีบหมดเลยนี่เห็นไหม นี่และบุญวัฒนาต่างกันมันไม่เหมือนการกดเห็นกรรมมันบอกไว้ชัดแต่เราก็ไม่ทราบเพราะไม่เคยคิดมาก่อนแล้วครั้งอดีตชาติเป็นประการใดเราก็ไม่ทราบขอไปทีเท่านั้นไหนเลยเราบุญกุศลจะบุญดำนำํากรรมจะแต่งให้ดีได้เพราะบุญไม่มีจะนํากรรมมันก็แต่งให้ดีไม่ได้มันอยู่ในจุดนี้เพราะฉะนั้นคนเราก็เป็นใหญ่เป็นโตก็สมหมดสิอยู่โรงเรียนชั้นเดียวกัน อยู่อยู่โตเดียวกันเรียนนักเรียนในร้อยจอบรมาด้วยกันเรียนมาสเปดมาเดียกานอีกคนหนึ่งเป็นผลเอกไอีกคนหนึ่งพันพันเอกเท่านี้เองจนกว่าจะเปิดกระสีอีกคนหนึ่งไปพันออกโดนไล่ออกไปแล้วนี่มันนั่งโตเดียวกันเรียนหนังสือกินข้าวชามเดียวกันมาอย่างนี้เป็นเพื่อนเกลอเพื่อนรักอยู่ชั้นเดียวกันโรงเรียนเดียวกันรักกันเหมือนยอดชีวิตจิตใจแต่ทําไมเป็นใหญ่ไม่เท่ากัน เป็นใหญ่ไม่เท่าการอย่าลืมนะไม่มีบุญไม่มีคุณประโยชน์ไม่ได้สรา้สรางบุญสร้างบุญศรไม่มีวัสนาบารมีเหมือนเขาบางคนสําเร็จปริญญาตรีเท่านั้นไอเพื่อนสําเร็จปริญญาเอกนี่ยกตัวอย่างให้เห็นโดยกดแท็ตามตามไปจริงไอคนหนึ่งเรียนไม่มากเรียนในประเทศไทยเรียนประเทศไทยสําเร็จธรรมศาสตร์ได้ปริญญาตรีทํางานใหญ่โตเป็นชั้นพิเศษ เป็นหัวหน้ากองเป็นใหญ่เป็นโตเป็นสถานที่บดีไต่คนหนึ่งไปได้ปริญญาเอกมันจะต่างประเทศไปเรียนแ ท, ทบแย่เลยกลับมาไปลูกน้องผัวปริญญาตีเพื่อนตอนบัดนี้ไม่เคยเป็นหัวหน้าเลยไม่เคยเป็นหัวหน้าอะไรแต่ประการใดก็เนื่องจากบา ร, รมีไม่เท่ากันโกดังกรรมไม่เหมือนกันเพราะการกระทําไม่เหมือนกันแยกประเภทออกเป็นตามศับสั์อย่างนี้บางคนนี่ถัดทั้งหลายเอ๋ย เกิดมามีง่อยเปลี่ยนเชื้อขาออกมาจะท้องแม่เป็นง่อยมาแล้วง่อยออกมาเลยเนี่ยอย่างนี้ตมาก็ได้กฎแห่งกรมจากประสบการณ์จากกรมประชาสงเคราะห์เอาคนขาหากักขาด้วนมาอบรมคนพิการแต่ดีเลือกเกินแต่จิตเขาไม่พิการจิตดีเลือกเกินพวกกรมประชาสงเคราะห์ที่เขาเอามาเนี่ยศูนย์ฝึกการอบรมประชาสงเคราะห์คนพิการที่ปากน้ําไปต้น เคยมาอารมนี้สองสาครั้งแล้วแล้วอีกครั้งที่สี่ก็จะอามาอีกปักเตะแต่ก็เอายังเอามาไม่ได้เป็นพวกประเภทหญิงแต่ต้องให้ส่งอาจารย์ไปก่อนจนได้คล่องแคล่วว่องไวดีแล้วถึงจะเอามาที่นี่นี่เราก็ต้องช่วยประชาชนทุกหมู่เราช่วยทุกวิถีงกดเหตุกรรมของเขาเนียแขนขาดขาขาดเอามาแล้วพุสามีสักท้ามีรถขามาช่วยตัวเองได้มาฝึกวิชาชีพ สามารถเย็บผ้าเย็บผ่อนเย็บรองเท้าได้แล้วไปรประกอบไปชีพของเขาพอมาปฏิบัติกรรมฐ า, านน้ําไหลออกตาเลยทีเดียวปลื้มปิติบอกผมลูกกรรมแล้วครับหลวงพ่อดิฉันลูกกรรมแล้วเจา้าค่ะฉันจะไม่เสียใจเลยรูปร่างเธอก็สวยโสพาแต่แขนไม่มีบางคนรูปร่างสวยกามตูดเบี้ยวไปข้างหนึ่งขาขาดไปข้างตูดไม่มีซช่นนแต่อัที่ตูดไม่มีนี่หมายความว่าไทย ทวารทวารทายนะไอตูดมันเบี้ยวคือตาพ่อของประธานทดอดตาพกมันเบี้ยวมันโบดมีข้างเดียวนี่อย่างนี้ก็มีนะแต่หน้าสวยจังหน้าสวยถต่าหากว่าเอาผ้ามาปิดข้างล่างไว้ดูหน้าอย่างเดียวก็ไปโชว์เป็นนางงามได้ไม่มีใครสวยเท่าเขาแต่ไปดูข้างล่างไม่มีซะแถบหนึ่งตาพกอหายไปแถบหนึ่งถ้าหากว่าเอามาให้พวกโยมโกรมการศาสนาดูนะ ดูแลยอมต้องเลือกคนนี้แน่แต่ต้องเอาผ้าคลุมข้างล่างไว้เอาผ้าคลุมข้างล่างไว้นั่งให้เป็นแถวเลยรับรองต้องเอาคนได้แด่สวยยิ้มก็สวยตาก็หวานคิ้วก็โก่งมันบงประจันแหมเคิ้วก่งอย่างเขียนดิฉันได้มาเรียนวิชาชอยล์เล่นชอยลคางผู้จาเพราะพริ้งเหลือเกินแล้วก็ยมผู้ชายจะต้องเลือกนี้ พอเลือกแล้วพอเปิดผ้าข้างล่างดูจะโศกผัคนองโศกาว่าตูดไม่มีตูดไปเ ม, มต่พอกขาดไปนี่เห็นไหมนี่มันต้องบกพร่องอะไรไปนะทําไมตูดไม่มีที่จะมาพูดเนี่ยคือต่อพอกต่อพอกเบี้ยวแล้วขาก็ไม่มีด้วยขาเนี่ยอยู่แค่หัวขาขาไม่มีแต่แต่อพอกไอ้ตรงที่ขาขาดนั่นน่ะมันนี่ยบอกกันหนู ขาขาดรถทับหรือไงไม่ใช่แล้วเจ้าข่าหลวงพอ่อตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่ดิฉันก็มีมาเท่านี้บางคนไม่มีดิ้วเลยด้วนออกมาเลยออกมาจากท้องแม่บางคนก็มาทรนโดนรถรถชนขาขาดแขนขาดต่อภายหลังก็มีนะไม่ใช่มาจากท้องแม่แต่บางคนเกิดมาหัวโตหัวโตนี่เป็นอย่างนี้ บางคนข้างล่างใหญ่ข้า ง, ข, างข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กบางคนข้างข้างล่างใหญ่ข้างบนเล็กมันไม่เหมือนกันมันไม่ถูกระเบียบแบบแผนเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำของเขามันไม่เท่าเทียมกันกนี่แหละความสะดวกในบ้านของใช้ไม้สอยก็ยังมีไม่เท่ากาันบางคนมีของใช้สอยมากมายในบ้านแต่ใช้ไม่เป็นไม่มีปัญญาจะใช้บางคนมีเงินทองต้องไปร้อยล้านใช้เงินไม่เป็น ตลอดการก็เป็นกฎแห่งกรรมเหมือนกันนะจากการกระทำของเขาอันนี้มีความหมายมิใช่น้อยนี่แหละท่านนวากาโปรดทราบนี่เราเห็นคนพิการของกรมประชาสงเคราะห์น่าสงสารขอเหรียญถวายที่พิสุนวากาต่างวัดที่วัดนี้มาทุกระดับนี่จะมาอีกเนคือผู้หญิงคนสวยที่เขาไปไปคุมไว้ที่ปากเกร็ดเออปากเกร็ดนนทบุรีเน่ยน่ะจะมาอีกแล้ว เราก็รับทุกประเภทรับทั้งคนสวยคนไม่สวยรับทั้งคนรวยคนไม่รวยรับได้ทั้งนั้นทีน่นี่ยินดีต้อนรับทุกประการเพราะเป็นศูนย์รวมของประชาชนที่เราต้องอบรมการทุกระยะและทุกประเภทวัดอื่นมีไหมทําได้ไหมอย่ามานินทาเราไม่ได้เพราะเรานี่ตั้งหน้าตั้งตาสร้างด้วยความดีจะใครมานินทาเราก็เป็นกฎแห่งกรรมนะเป็นกรรมของตอนผู้ทําเพราะเราไม่ได้ทําชั่ว เราสร้างแต่ความดีแต่ใครว่าเราไม่ดีแต่เราไม่มีชั่วเขาก็จะชั่วเองและเป็นกฎแห่งกรรมติดตามเข้าไปเองโดยเจพาะ่อไอ้วนหนึ่งขอโปรดรับรับทราบไว้ด้วยมันเป็นกฎแห่งตามจากการกระทำทางกายทางวาจาทางใจนี่เป็นกรรมทางกายกรรมทางวาจากรรมทางใจ แทบประเภทเป็นสามประการที่กล่าวนี่พูดไปเรื่อยๆก่อนว่าทําไมคนไม่เหมือนกันบ้านเดียวก็ยังไม่เหมือนกันครอบครัวเดียวกันก็นิสัยไม่เหมือนกันแล้วแถมผัวเมียก็นิสัยไม่เหมือนกันบางบ้านน้ําหนึ่งใจเดียวกันหน้าอนุโมทนาผัวหนึ่งเมียหนึ่งใจหนึ่งใจเด็ดใจเป็นเพชรอยู่ในครอบครัวนั้นมีความสุขดีมากเหลือเกินไม่เคยด่ากัน ไม่เคยทะเลาะ ก, กันบางบ้านผัวเมียเนี่ยอยู่ด้วยกฎแห่งกรรมคืนก็ต้องอมข ม, มก็กลืนเพราะมันได้กันมาแล้วมีทั้งเขยมีสังภายก็ยังไม่มีความสุขในครอบครัวเลยเพราะเหตุผลประการใดแต่ดังหลายเอ๋ยโปรดพิจรารณาโดยนี้ด้วยเพราะเราก็ไม่เข้าใจถ้าคนไหนจเจริญวิปัสสนากรรมาฐานถึงขั้นตอนรับรองจะรู้กฎแห่งกรรมแน่นอนว่ามาจากจุดไหนแต่ตัวเองเนี่ยมีกรรมอะไรจะได้ใช้นี่เขา มันจะได้หมดนี่ในในปีนี้หมดนี่ในปีหน้าทุกคนอยากให้หมดนี่ทั้งนั้นยกตัวอย่างทางโลกไปก็กู้เงินก็มาก็อยากจะให้หมดวันนี้เลยไม่อยากจะเป็นหนี้สินติดตัวไปทุกคนก็ไม่อยากจะค้องใจในเรื่องนี้ก็อยากให้นี่สินมันหมดไปได้ทันเวลาทุกคนอยากใช้นี่ทั้งนั้นแต่วิธีใช้ทำอย่างไรเราไม่เข้าใจเลยเราจะเอาไหนมาใช้เขา นี่จุดมุ่งหมายเป็นตัวปัจจัยเพื่อจะไม่มีจะใช้เขามันอยู่ในจุดนี้สําคัญมากบางคนไม่มีความเข้าใจในข้อนี้เหลือเกินเพราะฉะนั้นเราก็อย่าได้ตีโพยตีภายไปว่าบุญบาปไม่มีกฎแห่งกรรมไม่มีเพราะกระผมเองขอเรียนถวายว่าไม่เคยเชื่อบุญบาปมาตั้งเล็กว่ากฎแห่งตามคงไม่มีเลยเราก็ประสบการณ์กับตนเองถึงจะเชื่อ 1% มื ถ้าเราไม่ประสบเองแล้วเราจะไม่มีความเข้าใจเรื่องบุญบาปและเรื่องกฎแห่งกรรมจากการกระทําถ้าหากว่าทางผู้ศาสนานี้ต้องมีศรัทธาสี่อย่างถึงจะเชื่อเหตุผลต่ทากตาโพธิศรัทธาต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเว้นเชื่อกรรมเชื่อการกระทําขั้นตอนเชื่อว่าผลของกรรมได้ผลจริงมันออกมาในรูปแบบอย่างนี้เรียกว่าศรัทธาสี่ประการบางคนไม่มีศรัทธาเลยแม้แต่ข้อเดียว ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อกฎแห่งกรรมของตอนแล้วไม่เชื่อว่ากรรมให้ผลเป็นประการใดแล้วไม่เชื่อว่าการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่นาต่อเริ่มตน้นนาตถาคาถาโพธิศราเป็นตน้นบางคนก็ไม่เข้าใจในหลักนี้เลยจึงไม่เชื่อเวรเชื่อกรรมจึงไม่เชื่อบุญบาปว่ามีจริงประการใดเลยก็ทําชั่วตลอดเห็นแต่ตัวเห็นมากง่ายมากได้ตลอดมาเลยกรรมไปซัดเมื่อใดจะเห็นใจมานั้น ตอนที่กรรมยังไม่ซัดเหตุผลยังไม่มาถึงตอนก็ตนเองก็ยังไม่เข้าใจไงเมื่อไปตกละกรรมลำบากขึ้นมาน้ําไหลออกตาเมือ่อใดใจเห็นกรรมเมื่อนั้นตอนนี้เราสบายอกสบายใจกรรมยังไม่มาสัดก็กรรมยังเข้ามาไม่ถึงเพราะความดียังมีอยู่มากกรรมบาปนั้นยังไม่มาถึงพอความดีออกไปบาปกรรมมันก็ซัดตรมเมื่อนั้นมันมีผลต่างกันอย่างนี้ถ้าเรามีกรรมมาก มีกําลังตกทุกข์ได้ยากแต่แล้วกรรมดีงเราก็ยังมีอยู่กําลังคอยอยู่ข้างนอกยังไม่มาให้พรแล้วทีนี้ถ้าหากว่ากรรมชั่วมันหมดไปใช้หนี้หมดแล้วไอ้ความทุกข์ยากลําบากลําเคียนใจมันก็หมดสิ้นไปไอ้กรรมดีที่เราสร้างไว้มากคู่กันมามันก็เข้ามาซัดให้เราส่งเสริมให้เราดีให้เรามีปัญญาส่งเสริมให้เราเป็นเศรษฐีมัง่งมีสิสุขส่งเสริมให้เรา เกิดผลผลิมีบ้านมีช่องบางคนเนี่ยตาใสาเขาอยู่ไม่มีบ้านพอถึงกรรมดีเข้ามาสัตว์มันก็ทําให้เรามีบ้านอยู่เคหสถานอยู่อย่างใหญ่โตมโหฬารได้บางทีซัตดเราตั้งแต่เป็นลูกจ้างให้มาเป็นเศรษฐีได้เอามาเป็นพวแกแปรได้สัต์เท่าแป่ให้มาเป็นลูกจ้างได้ นี่มีความหมายไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันเสมอการคงที่คงวาคงศอกแต่ประการใดเพราะบุญกุศลมันไม่คงที่คงวาบางคนก็สร้างบุญบางคนก็สร้างบาปบางคนก็ทําเวรทำำํากรรมทําก็คนโน้ทนทําคนนี่มากมายมันก็ไม่คงที่คนเราจึงมีความสุขไม่เหมือนกันมีความทุกข์ม่เหมือนกันความสุขเหมือนกันที่คงไม่ได้บางคนมีความสุขทางไปรักรถเขาไปตกหิ้วส้อยเขา ได้เข้ามาก็มีความสุขอย่างนี้อีกประเภทหนึ่งบางคนก็ช่วยเหลือคนนอนช่วยเหลือคนนี้ได้เท่าไรามีความสุขได้มากเท่นานั้นบางคนมากง่ายมากได้ไปไปเช็กของใครก็มาก็มีความสุขบางคนเนี่ยไปด่าเข้ามาได้ก็อชอบใจก็มีความสุขในการด่าจึงได้ด่ากันต่อไปนี่แนี่มันมีความสุขยากประเภทของกรรมจากการกระทําอย่างนี้คนมีความทุกข์ทุกไปถามดูทุกคนที่ทุกข์เหมือนกันไหม เรื่องเดียวกันไหมคล้ายกันเท่านั้นแต่จะเรื่องเดียวกันจุดทั้งหมดไม่ได้บางคนทุกข์เรื่องผัวบางคนทุกข์เรื่องเมียบางคนทุกข์เรื่องพ่อเรื่องแม่บางคนทุกข์เรื่องไรนาจ้าโทบางคนทุกข์เรื่องทูสาวบางคนก็มีความทุกข์เราโสมขมเกิดอยู่ในใจบางคนก็มีทุกข์ทั้งลำทั้งแขนทั้งเหน่นในซวงทั้งหึงทั้งหวงหนักหน่วงในหัวใจทุกข์ําไปตลอดกาลไม่เหมือนกันแม้แต่รายเดียว ความทุกข์ระทมขมคืนมันก็แยกประเภทเพราะเราทําทมาไม่เหมือนกันไม่จําต้องกล่าวทั่วไปแค่บ้านเดียวกันยังไม่เหมือนกันแล้วพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยสามีภรรยาก็ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาบางบ้านเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขบางบ้านเราไม่อยู่เย็นเป็นสุขเลยเพราะพ่อแม่เหลือผัวเมียมไม่ดีปู่ย่าตายายที่ละสร้างความไม่ดีกับลูกทําไม่ถูกไว้กับหลานมันอยู่ในบ้านเดียวกันนั่นแหละนอกเหนือจากนั้นกรรมก็สัดออกมาเอง มีพี่น้องหลายคนเรามีพี่น้องสักห้าคนมีพี่น้องแปคนมีพี่น้องสองคนมีพี่น้องสามคนขอเรียนถามว่าเหมือนกันไหมพี่น้องเหมือนกันไหมจิตกลงกันไหมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนี่แหละท่านตังทานระดํพาภาทิตโบราณท่านว่าไว้ไม้ไผ่ต่างปล้องพี่น้องต่างใจเหมือนกันไหมครับจะไม่เหมือนกันเลย แค่พี่น้องท้องเดียวคลานออกมาจะปลุกปลุปลปลจกจะพ่อแม่อันเดียวกันสายโลหิตเดียวกันแล้วก็อยู่แม่เดียวกันพ่อเดียวกันแท้ๆยังแยกกฎแห่งกรรมไปคนละประเภทเพราะเหตุใดเพราะต่างคนต่างทำมาต่างมีมือมีเท้าเหมือนกันมีปากต่างคนต่างกินมากฎแห่งกรรมมันจึงทำให้ท้องท้องเดียวกันไม่เหมือนกันบางแห่งพี่ชายเป็นด็อกเตอร์ไอ้น้องไปอินเตอร์ น้องเปเตอร์ไอ้น้องอีกเป็นคิเตอร์ไอ้น้องอีกเป็นคิต้เอามายเอาเนื้อเอาใต้จะประการใดเพระเหตุได้บางคนก็น้องเป็นด็อกเตอร์ไอพีไม่เอาเนื้อเอาใต้เลยท้องเดียวก็จะแทบก็ยังไม่เหมือนกันขอท่านทั้งหลายตรวจกาหนดตรจําเอาไปคิกก่อนว่าพี่น้องบางทีเนี่ยมันต้องเหมือนกันบางบ้านเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเ อ, อ๋ยพ่อก็ดีแม่ก็ดีเลือกเกินแต่ลูกไม่ดีเลยเป็นเพราะอะไร แล้วพิจารณาดูพ่อแม่ไม่เอาไหนเลยพ่อแม่โฉงเถงไอ้แม่ก่อเล่นไพ่ไอ้ผัว ก, ก็ไม่เนื้อเอาใต้จะประการใดทําไมหนอโลกจึงเป็นอักเตอร์ได้โลกเป็นใหญ่เป็นตตเป็นผู้ผีผากษาเป็นวิศวกรเป็นสถาปัตย์แล้วก็ลูกเป็นแพทเป็นหมอได้ก็มีเหมือนกันเพราะเหตุได้นี่มันแล้วแต่กรรมส่วนตัวพันพัวอยู่ในตัวใครตัวมันบางคนก็ต้องมาซั์กันอย่างนี้พ่อแม่ดี ลูกไม่ดีก็มีบางทีพ่อแม่โฉงเคงพ่อเป็นเสือเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ฟังพ่อเป็นเสือลูกห้าคนมีลูกห้าคนแต่ลูกสองคนนั้นก็เป็นเสือตามพ่อแม่โดนยิงตายหมดนี่จุดที่สุพันบุรีตอนสมัยร้อยเอกวศยิงที่มาฆ่าคนเยอะเลยคือยิงลงน้ำหมดมาปราบเสือสมัยนูน้นเรียกว่าร้อยร้อยเอกยิง ตลอดเปื้อนเสือฝ้ายสุพรรณบุรีบ้านาาตลาดท่าช้างอำเภอเดิมบางนางบวชอันนี้เรารู้เรื่องจริงมาทำไมเสือฝ้ายเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมอีกกกหนึ่งพ่อแปลเป็นเสือโลกทำไมเป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้วิผักษาเป็นอะไรได้เพราะเหตุใดมันมีกรรมต่างกันแยกประเภทกรรมออกมาเหมือนกันอย่างไรได้เราคิดว่าพ่อแม่เป็นเสือลูกไปเสือหมดทั้งทอง มันเป็นเพียงสองคนถูกตำรวจยิงตายทั้งพ่อก็ตายแม่ก็ตายลูกสองคนตายใจสามคนทำไมไม่เป็นเสือเพราะเหตุใดมันมีบุญวาสนามาอย่างไรแล้วก็มาตอนหลังเป็นใหญ่เป็นโตเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตยอยู่ด้วยเป็นใหญ่เป็นโตนี่ลูกเสือสุพรรณบุรีดังที่กล่าวมาแล้วนี้หลายปีแล้วนี่เล่าประสบการณ์ว่าแยกประเภทก่อน เพราะคนเราไม่เหมือนกันเลยบางคนก็สวยไม่เหมือนกันบางทีกองคนก็รูปชั่วตัวดำน้ําใจดีบางคนก็รูปล่างสวยเหลือดีเอาดีไม่ได้ที่โบราณฉันว่าไว้เออรูปร่างเหมือนจะพระเอกนะรูปร่างก็สวยเธอนี่ก็สวยแต่ต้นนิสัยไม่ดีเลยนิสัยไม่พอนิสัยไม่พอที่จะเป็นพระเอกได้นิสัยไม่พอที่จะเป็นนางเอกได้นี่แหละรูปรั่วทั่วตัวดำเหมือนน้ําใจดีเหมือนเงาะป่า รูปร่างตาปอนเชียข้างในเป็นทองคําคือประสังสังทองนี่ไม่หมายความว่าถกหนังออกมาข้างในเป็นทองหมายความว่าปัญญาผ่องอัมพันธ์จิตใจสูงมียาสายงดงามรูปร่างทัวทัวตั ว, ต ว, ต ว, ต ว, ตวดําแต่น้ําใจงามก็ใช้ได้ไอหกเขยเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องเหลวหลไอหกเขยคือหน้าโง่นี่หน้าโง่รจนาญาใจที่ว่าเสียงพวงมาลัย แต่ร้อ็เจทุ่งเมืองอุตสาไปหาลูกพระมาหากระสาร้อยเอ็ดจ็ทุ่งเมืองมาให้ลูกเสี่ยงพวงมาลายัยแล้วแม่รสนายาใจมองไม่เห็นเลยว่าคนจะมีปัญญาจะคู่ควรกับเขาเขาจึงไม่สวงเสี่ยงพวงมะลัยให้ไอ้หกเขยลูกของหนาร้อยเอ็ดเจ็ดทุ่งเมืองมาถึงก็นางทั้งหกก็เสี่ยงพวงมาลัยให้ลูกหลานสวยๆเป็นพระเอกทั้งนั้นเลยก็เสี่ยงพวงมะลัยให้แต่รตนายาใจไม่เสี่ยงให้ใคร เพราะมันไม่สมควรคู่กับเขาเขาเป็นผู้มีปัญญาสูงเลยก็ทำให้พระราชบิดาโกรธโตถามมากคนดีมาแล้วลูกก็ไม่เอาเรือร้อยเอเจดทุกงเมืองทั่วโลกโลกกาแล้วยังไม่เอาอีกเรือจะไปเอาไอ้คนที่ททไหนเลยก็ได้ข่าวจากเสนามุ่อมาน ร, ราชบริพานก็บอกว่ามีไอ้เงาะบาบ า, บาอยู่ตัวหนึ่งเอะ มันอยู่กลางทุ่งกลางป่าไปเล่นก็เด็กเลี้ยงงัวเลี้ยงควายบ้าบอกอแตกแนั้นแน่เลยพระราชบิดาก็โกรธเออหาลูกเขยดีๆยังไม่เอาเลยไปเอาคนบ้าๆมาซิมันจะเอาไหมไอ้ทำนองนี้พอรจนาเห็นข้าวเห็นหนอเห็นหนอนะไปเลือกคู่เห็นหนอเห็นหนอไอนางหกเขยเห็นไอเงาะป่ามาลอยิ้มย่องเชียง รจนาญาใจก็กรบเงาะปลาเขามีเล่ในกันว่าตาต่อตาประสานนั่นแน่ตาต่อตาประสานสเปคเดียวกันก็แล้วใส่เกล็ดเดียวกันตาต่อตาเป็นสื่อจมพันธ์ตาต่อตาประสานหวานลิ้นหวานรสหวานพจนานิกรมหวานนี่อะไรให้ตายดิ้น หวานลิ้นหวานลากหวานขมคืนเกลืนไม่ลงแต่หวานอะไรเข้าเป็นรสอร่อยหวานคือคุณค่าของความดีรสนั่นจะอร่อยตลอดชาติที่เราเรียกกันว่าหวานรสหวานลิ้นหวานน้าคําหวานน้ําใจหวานทั้งหมดคือวิชาการหลักฐานผู้มีปัญญาก็เห็นเด็ดเดียวองนี้ ขอเรียนนวกาไว้ด้วย